ที่แจ้งที่สว่างที่สูงที่สะอาดเรียกว่ารากกันมาจูงกันมมอกมาสู่คุณงามความดีนั่นถึงว่าชมรมทีโอทีั้งเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะเจตนารมอย่างนี้ครูาอาจารย์ท่านก็มีธรรมะประจาใจของท่านอย่างหนึ่งก็คือเมตตาธรรมไม่มีอะไระเดียด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 ก็เหมือนนะ้ำมันอุ้มชูดินไว้มาให้ปลิวว่อนกระจายกระจายจนกระทั่งโลกทั้งโลกจะไม่เหลืออะไรเพราะไม่มีน้าหล่อเลี้ยงเท่าที่มันเป็นก้อนธาตุก้อนโลกก้อนดินอยู่เพราะอะไรเพราะแรงดึงดูดแรงขับเคลื่อนแรงอรุปถามค์าชูซึ่งธาตุประกอบความเป็นโลกนั่นก็ยกไว้ของความธาตุาประกอบแต่การที่จะมา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 กิจในใจมันจะลุกลามลามปามออกไปข้างนอกถึงกายถึงวาจาซึ่งมันจะเป็นของไม่น่าดูหรือดูไม่ได้แต่โลกทําไมเป็นพาดของสิ่งเหล่านั้นโบกเวกวยไม้อยู่ในข้างบ้านข้างเรือนข้างถนนหรือกลางถนนน่าดูไหมล่ะเห็นคนนั้นด่าทอกันเห็นคนนี้ว่ากล่าวกันด้วยความมหิโธดิ่มโธสบรรดาลแต่เป็นถึงคราวเจ้าของเป็นซะเอง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 กาลิสยาถ้าคาดมาร้ายต่อกันเวลานี้เวลาที่พวกเราปรากฏชัดอยู่ว่ า, าพวกเราเป็นสัตว์มนุษย์เราต้องดารงตนให้อยู่ในความเป็นมนุษย์จะเป็นชายก็ตามเป็นหญิงก็ตามจะเพศใดวัยใดก็ให้ปฏิบัติตนให้สมควรเกิดฐานอนุโรขกของเจ้าของ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 ความสุขส่วนพระองค์ท่านความเป็นปกติของคนคนหนึ่งจะต้องเป็นปกติอยู่บ้างแต่ผิดปกติขึ้นมาเพราะอำนาจของความเมตตาเอ็นโดสงสารสรรพสัตว์เราหนึ่งในจำนวนนั้นก็คอยที่จะได้รับผลของความเมตตากรุณอนโดสงสารของนักปรา์ท่านอย่างพระพุทธเจ้าเป็นประธานย้อนลงมาถึงทุกวันนี้ครับน้าดูสิ อ, อยู่ในพระบรมโกศ ที่พระสงม่กอนยังพวกเราไปกี่รอบกี่ครั้งกี่หนไม่เคยอิ่มไม่เคยเบื่อไม่เคยจืดไม่เคยจางไม่เคยคิดว่าจะ mm. พ่อนี่ด้วยความเพลิดเพลินดูดดื่มเพราะอะไรเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะคาว่า บ, บุญญาบา ร, รมีของพระ อ, องค์ท่านนี mm. ่ใครสักกี่คนที่ทำได้อย่างพระ อ, องค์ท่านอย่างนั้นก็คือถึงพร้อมด้วยความเ mm. มตตากรุณานั่นละ ถ้าพระองค์ท่านไม่มีเมตตาการุณาจะเสวยสุขอย่างลำพังพระองค์ท่านอยู่ในร้วในวังไม่ต้องมาลำบากลำบนทนทรมานพระวรากายของพระองค์ท่านเหื่อไหลไร่ยอยอย่างคนทัท่วไปทั้งทั้งที่ตำแหน่งฐานะของพระองค์ท่านเป็นพระกษัตริย์เรียบพร้อมด้วย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 เครื่องบริษัทบริวารเป็นที่อาศัยเป็นบริวารของใจเป็น อ, องค์ประกอบที่อยู่กระจที่สุกก็คือจิตคือใจเจ้าของกอดพืนกอดไฟเผาเจ้าของทำไมมันจะไม่ร้อนอนักปลาท่านชี้บอกอยูอ่ความร้อนความร้อนมันก็เห็นเห็นอยู่ร้อนเพราะฟืนเพราะไฟข้างนอกแล้วก็ยังกระเท็บออกมาห่างๆได้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 พูกเป็นเนติแบบเฉพาะสำหรับคนอื่นเราก็อยู่ภายใต้ร่มบรมพพธิสมผนของพระองค์ท่านทำไมไม่เห็นทำไมรับไม่ได้เพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะแรงอิจฉาพยาบาทคาดอิจฉาอิจฉ า, ากระทั่งความดีของคนอื่นคนอื่นทำความดีก่อนช่างเถอะเราอย่างนี้ละ่ะคนอื่นทำก่ําทำปไปเอย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 ธรรมะไม่ได้โดดเข้ามาเรือหาเหตุหาผลไม่ได้โดดเข้ามาหาตามเหตุตามผลมีเหตุมีผลมีเหตุมีปัจจัยก็คือศรัทธาเราเปิดกว้างเปิดยึดเปิดใจรับเอาด้วยความชอบธรรมรับเอาเรื่องอะไรรับเอาเรื่องความเสียฉลดรับเอาเรื่องวิชาตขจัดปัดเผาความไม่ดีคือความดีความดีคืออะไรคือความเสียสละแบ่งปันทานะคือความเสียหลัจากกะก็คือความเสียสละ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 ใจข็เราเป็นมงคลใจของเราเ ป, ประเสริฐสอะแวงหาทรัพย์สริงคออสิริพ่อคานามาสโยโนักปราททานว่าอย่างนั้นทรัพย์สมบัติจะไหลกลับมานอนเนื่องอยู่ในจิตใจในสถานที่ที่มีอุดมมงคลสถานที่ที่เป็นมงคลสริริคือความเป็นมงคลภายในจในใจนะะั่นล่ะสิริพ่อคานามาสโย า, ส า, าย่นทรัพย์สิบัาิจะไหลาไัลมาแล้วก็อยู่เป็ใจเนเพราะใจเป็นสิริคือความเป็นมงคลใจิมใร้จน่ล่ร่อนานามปรเภทเล่าร้พะลอน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 สองเนื่อนโลกนี้มีอภิชาโทมนัสสร้างนั่นไาอย่างนั้นฟังโลกก็คืออภิชาฟังโกรกก็คือโทมนัสมันจะเกิดความอืมราคาโทรศัพมาเป็นเจ้าเรือนอืมพอความโลกขึ้นมาเป็นเจ้าเรือนปับ๊บหาทางจะเอาได้มาด้วยความไม่ชอบธรรมก็เอ า, หาเห็นไหมถึงแบบกิริยาการของการลักขโมยนั่นแหละ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 คิดเพื่อทำร้ายทำลายเจ้าองอ ก, ก็คิดเหมือนกันน่นแหะแต่มันคิดเอามาหีดหดเทียมว่าเจ้าของโดนกนระทำอีกแล้วแค่ไฟแดงก็จะตายเป็นเออย่างนั้น่ะเราเห็นแก่ตัวขนาดไหนทานไม่เป็นมไม่เคยทำทานน่นหรือ ว, ว่าให้อภัยไม่ได้เสียสละสงฆ์มไม่ได้ยืวยกระทั่งฝากไฟแดงจะตายเอาอเท่นั้นเลยเลยตายจริงๆนะ ท่านนี้ว่าเอาวิชาธรมธรมมาทําคือจาคะเสียสละแบ่งปันที่วัดทางข้างนอกจนกระทั่งชั่ววินานกลายเป็นธรรมทานทพยทา น, น, นเรื่องของมนุษย์ทํากันแล้วก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนี่นะเอามายกขึ้นมาประดับประปราดจิตใจของเราบ้างได้ไหมขึ้นเื่อยคำว่าเบญจศีลเบญจธรรม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 เยียบย่ทำทําร้ายทาลายกันได้อย่างไรใครของใครใครก็รักใครก็ห่วงก็ห่วงเพราะฉะนั้นอย่าไปกล่ํามกลาอย่าไปอย่าทำํำยายาคืออยาไม่มีที่รับที่แจ้งไม่มีต่อหน้ารับหลังผิดคือผิดถูกคือถูกนั่นเป็นซะอย่างนั้นนักปราท่านเป็นอย่างไรนักปราชท่านกระทั่งมาถือพรตพรหมจำท่านก็ทําให้เห็นอยู่ความยิ่งความเลือดแต่ละชาติแต่ละชาติ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 วันนั้นท่านไปเยี่ยมสหายกันซึ่งเคยเป็นสหายเก่ากันอืวันนั้นน่ะงูพิษกัดลูกของสหายพิษมันกระลังเป็นแล่นไปทั่วสปลางร่างกายแล้วแทบจะใกล้จะตายแล้วท่านก็เห็นท่าไม่ท่ทานก็ตั้งสัจยาทิฏฐานประกาศความสัต์ความจริงหนึ่งคิดดูสิประกาศความจริงก็คือขายหน้าเจ้าของน่นหะหรอ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 เรียกว่าเบญจศีนเบญจธรรมเสีย น, นจริงกิงกว่าสี่ข้อนั่นละ่ะแต่นั้นก็มีสุราเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะอะไรเพราะน้ำผ้าเพราะกติมันก็ฆ่าสารสลักทรัพย์ล่วงประเวณีกรรมพูดปลดมอเทสได้ยากอยู่แต่พอได้ได้น้ำเปลี่ยนนิสัยเข้าไปกลายเป็นของง่ายไปหมดท่านถึง่บบมันญยติเป็นศีลห้าทำห้าก็คือความมีสตินั่นแหล